เราได้กลังพูดางานในสงฆ์ชานสี่ 4, มันมีสองระดับคื อ, อ, ย, าอยางหยาบกับาละเอียดไม่มีสามเหมือนเขาถ้าเราได้ชันสี่อย่างหยาบเวลาตายก็เป็นกรมชั้นที่สิบถ้าเรได้ชา้นสี่ละเอียดตายเป็นกรมชั้นที่สิบเอ็ดนี่สําหรับรูปแบบกมไม่มีสิบหกชั้ น, <c oughs> นตั้งแต่ชั้นที่สิบสองถึงชั้นที่สิบหกนี่เป็นที่อยู่ของพระอนาคามี ที่ได้ฌานสี่แล้วก็เวลาท่านจะตายท่านออกจากฌานสี่ที่จะไปมีสิทธิ์อยู่ตั้งแต่คนท่านที่สิบสองคนที่หกได้ที่เรียกว่าตัาางโตกโคืออันดับแรกไปอยู่คนท่านที่สิบสองแล้วก็เริ่มไปที่สามสิบสี่สิบห้าสิบกพอถึงันที่สิบหกคนผ่านนี่สำหรับร า, าคาวีในอารมณ์ของช า, ง า, านนีย่ว่าการนั่งชานโลกีผ่านไป สำหรัอบอารูปฌานคนจะไม่พูดเพราะว่าพูดก็ไม่เกิดประโยชน์ใครอยากทําก็ทำเอาเองไปไอ้อารูปฌานวิชานผีนะั่นนหละเรื่อศึกษาหน้ารูปเท่านั้นตามที่เราเคยพูดมานะแต่ว่าถ้าได้รูปฌานแล้วถ้าตายระหว่างอารมูปฌานมันไปเกิดเป็นอรูปสมนี้อยไปเลยไม่เกิดรปร ะ, ะปยโยชน์เพราะว่าพระโปรดไม่ได้ นี่ไมอ่อันดับหนึ่งอันดับที่เจ็ดก็คือโคตรภูใหญ่นี่เราใช้ติตก้าวล่วงจากโลกิยะจะเข้าสู่โลกุตระเรียกว่าโคตรภูคืออยู่ในระหว่างโลกีกับโลกโลกิยะกับโลกุตระเรียกว่าจะเป็นชาวโลกก็ไม่ใช่จะเป็นพระอริยเจ้าก็ไม่ใช่มีอาการเหมือนกับขาสองขายืินข้อมรางเล็ก ขาหนียบฝั่งนี้ขานโน้นเหยียบฝั่งนโนนยังไม่ยกขาใดข้าห น, นึ่งขึ้นเรียกว่าโคตรปู <c oughs> อาการของโคตรภูวิธีปฏิบัติผมจะไม่บอกเขาบอกมาแล้วแต่เพิ่นบอกกันเจงกันวันนี้มันมก็เป็นจบนี่จะบอกแต่าอาการของโคตรภูเราจะเข้าสู่โคตรภูยานได้ตรงนี้มันต้องมิเจรนมิปัญนายานเข้มอาศัยฌานเป็นเครื่องช่วย สำหรับอารมณ์ตรงนี้อารมณ์นะ อ, อารมณ์นี้เข้าสู่ขัตตภูยานะ้ะมันมีอารมณ์พิเศษอย่างหนึ่งคือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความประสงค์อย่างเดียวเราต้องการพระนิพพานจะทําทอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตามก็ะจะได้พักแค่สวรรค์แค่ผมไม่เคยคิดคิดอย่างเดียวว่าเราต้องการพระนิพพาน แล้วก็อารมณ์มีจุดหนึ่งนั่นก็คือเห็นธรรมดาไม่มนก็ธรรมดานะ่ยแต่ว่าธรรมดาไม่นานใครก็ด่าเขาว่ า, าเขาลินคาเขาโน่นเสียงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าว่าจะไปยั่วลำหนักก็ไม่ได้โกรธเหมือนกันเพราะว่ายังมีโลกมีโกรธมีหลงแต่ว่าอารมณ์เนี่ยมันดีกว่าโลกญาณธรรมดา <c oughs> ความหวั่นไหวมีน้อย <c oughs> ไม่เหมือนกับชานทัานหนึ่งที่สี่แล้วว่าหนึ่งทุ่มแปดในแบบนั้นยั่วไม่ได้ยั่านานเข้าไปเยอะชานันเบี่ยงชานทิ้งไปแล้วชคกับเขาเอาชายกองไว้ตรงนี้ชกปากมันดีกว่ า, วาแล้วว่าโครตรภูนีไม่ชกกรรมัดตั้งท่าใดจะไม่ชกเนียกว่าจะเริ่มตักถังราคะหรือโลภโทสะโมหะลงไปหน่อ ย, อยตัดชัไปครึ่งหาง ยังไม่หมดทางมีอารมณ์โอตระภูยาในจําไม่ดีบ้านหนึ่งจิตน้อมไปในสินห้าเป็นปกติมีอารมณ์เป็นกุศลมีศรัทธาดีเรื่องสินห้าในรมัดระวังเป็นกรณีพิเศษสี่งนี้ม่ขาดยากเหมือนกันต่ อ, อาสายเจตนานะฉันบอกว่าเดินไปเหยียบมดตายสีนไม่ขาดเลยถ้าไม่ตั้งใจกระทืบนให้ ม, มันตายไม่มีทางขาด ไม่ต้องเข้าใจเรื่องทั้งสิ้นพอมาถึงตรงนี้เขาระวังสินเป็นเสศจที้ตัวระวังเกิดขึ้นยอย่างมากเพลียดมายรักสินมากไม่อยากให้ละเมิดการที่สองมีอารมณ์รักคนิี้ผ่านแต่การที่สามก็มีถือกฎธรรมดาเห็นว่าเราเกิดมาตายแน่ร่างกายสั่งทรัพย์เป็นทั้งหลายสั่งคนรักผู้รักหัวเรื่องเมียและลูกเต้าก็ตาย เนรมโตรพูยานตั้งอยู่แบบนี้ใช้สังเกตงก่ายง่ายัวคืนหนึ่งระวังสินเป็นพิเศษบริการี้สองยาวยอมรับรับถือกฎคุธ้ธรรมดาาว่าใครทขาด่าเขาว่าก็าธรรมดาแต่จะด่ามากก็ไม่ได้นะเดี๋ยวธรรมดาวางนั้นล่อปากแต่ไม่ล่อตั้งผ่าจะไปชกเขากลัวสินขาดเองไ ตั้งท้าหยิบไม่หยิบปืนได้แต่ถ้ายิงต้าปืนก็ยิงไม่ถูกเขาเสียงขูนี่โคตรปูอย่ากเรียกว่าแล้วไม่ทําไม่ถึงเกับมีอันตรายไม่ลักไม่ขโมยไม่คดไม่โกงใครไม่เย้แย่งทรัพย์สินใครไม่ทั้อันตรายใครใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์เมือารมณ์ชุ่มชื่นมีความภาคภูมิใจเป็นวิเศษดีกว่าทรงชานโลกิน ใ่การทรงโคดภูนี่มันทรงไม่ได้นานหรอกเจ้ บ, บ้านคนไหนคนมีเศษมีมันทรงได้ถึงสามเดือนแต่เจ้ บ, บ้านธรรมดาเนะี่ยเขาทรงอย่างเรงที่สุดก็ไม่เกินเจ็ดวันเป็นประโสดาบันถ้าถึงเจ็ดวันนี้ก็สวยเต็มทีแนละ้วถ้าบ้านธรรมดาธรรมด า, มดาพวกสาวกกระปุกนี่ประเดี๋ยวเดียวมัก็ก้าวเข้าไปสู่ประโสดาบันนี่ทรงโคตรภูนี่เขาปฏิบัติยังไง <c oughs> ก็ปฏิบัติใจเพื่อตัดสังโยคสามคือส ก, กายญาติที่ที่จะนาเห็นทุกนาริกาสังเห็นโทษของตัณหาที่รราร่างกายเราจะต้องตายเราจะเกิดมาเพิ่อประโยชน์อะไรเราไปพนิพพานดีกว่าเนอารมณ์ตัวนี้มันมีแม้ความสงสัยในคําสั่งสอนของพุทธเจ้าไม่มีแม้เกิดมันเป็นทุกเกิดกิจชาติก็มีทุกข์เทนั้นเราไม่เกิดพรินิพพานมีสุขแล้วทรงสิ้นห้าบริสุทธ์ ขณะนั้นเมื่อเพื่อนตอนกันโคตรภู น, ะนึกว่าอะไรจะต้องตายร่างกายมันจะพังทุกเสี่งทุก อ, อย่างไปนอนาัาถรู้ไม่สงสัยในคําสั่งสอนขอเขาได้เจ้าแต่สินห้า ย, ยังไม่มั่นคงนะักยังต้องระวังนี่พอยกขายข้างจากโลกเข้าถึงความเป็นโสดานมันอารมณ์ทรงตัวสินห้าไม่ขาดแล้วไม่ต้องระวังตอนนี้ไม่มีการระวังสินห้า <c oughs> นี่ว่าเส้นคาาวาสไะที่ไม่ระวังพ่ออะไรเพราะว่าทำยังไงก็ตามสินงไม่ขาดแน่ไม่ยอมทำในสิงขาดแน่นอนเป็นอันว่าเป็นอาการปกติไม่ต้องระวังแล้วก็ไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเห็นว่าราต้องตายแน่แต่ถ้าว่ายังมีความยากลวยผมไม่เรียกว่าหลก อยากรวยแต่การที่เราจะรวยเกิดที่นี่เราไม่คดไม่โกงใครได้มาโดยสัมมาชีวะมีเงินสิบบาทลงทุนเพื่เงินล้านบาททาได้ถ้าเราไม่โกงครับอย่างนี้เป็นมรรสนาบันราคายัางมีความนับสวยรับงามอย่างปรากฏดูตัวอย่างบางวิสาขาแต่้ว่าวัตถุที่เราหามาแตอยา่างถ้ามันสูญหายไปไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใชความโกรธยังมี แล้วตัดหางหางฟังโกรดทิ้งไปได้แต่โปรธตั้งท่าหน่ายตีเขาไม่ได้ขาดไม่ได้ก็กลัวสิงข์าความหลงยังมียังพอใจในเครื่งประดับพอใจในร่างกายนไงถือว่าเป็นเราเป็นเขาแต่ว่าเวลาใครตายจริงทางจริงระโสดาบันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ตอนอยู่เนี่ยยังก็เหมือนคนธรรมดาพราะสุวดาบันนี่ไม่มีอะไรปฏ <c oughs> ิบัติง่ายง่ายไม่ยาก มีกำลังใจนิดเดียวเป็นโสดาบันในแบบสบายโสดาบันนี่ก็คือชาวบ้านชั้นดีนั่นเองยังมีลูกมีผัวมีเมียกันอยู่แต่ดังว่าไม่ไดมเมิด์ธสินห้าไม่โกงทรัพย์สินเขาใครโดยได้รักก็ได้แต่งงานก็ได้แต่ไม่ไดมเมิดความรักเกิดก็ยังโกรดอยู่จะไม่ฆ่าใครหลงความสวยเพราะ ง, งานก็หลงแต่ไม่สินได้ในของเมื่อของขายไปแล้ว แต่ว่าพระโสดาบันก็มีอารมณ์พระนิพพานตั้งมัน่นจิตใจจกกับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์ผมไม่เห็นเมีอะไรคุณจะรินนะง่ายนิดเดียวไม่เมียนี่วัดไว้ดีนะว่าพระโสดายัางแต่งงานยังมีลูกมีเต้ายังมีความรักยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธังมีความหลง แต่ว่าตั้งสามประการนี้ไม่ทำให้ประสด า, าเข้าถึงอบายภูมิมันยังอยู่แค่นั้นไอ้ที่ยังไม่จะจำใจยังเขาเต็มใจยังเขาส่งใจไม่จริงๆนี่จึงจะเป็นประสดาบันนี่อันหนึ่งก็คือพระสกิธาคามีตอนพระสกิธาคามีนี่ อริยภิทาคาเมเน่ก็ตับทั้งโยนิายสามเม่กันคือสกายาทิพิวิธิกิชาศีระพตปรมามะไม่ต่างอะไรกับปสูณาบันแต่ถ้ว่าทำลาคาโทสะโมหะให้ละเอียดลงไปเหลือดานุัยให้คำว่านุสเนี่ยผมเรียนมาถึงเป็นนักเทศยังไม่รู้มันอยู่แค่ไหนคำว่านุใสเขาโดนนอนเนื่อนอยู่ภายในใจ ถ้าใครมากวนเขาเป็นคุณแต่ความจริงมันไม่เช่นนั้นปสกิท า, าคามีเนี่ยยังมีความรักยังมีความโลภยังมีความโกรธยังมีความหลบมีแต่ว่าเหมือนไม่มีความรู้สึกในเพศระรดับสำหรับปัสกิทาคามีเนี่ยมันเหมือนไม่มีแต่ความจริงมี แต่เราทบหน้าเั็นเข้าจริงๆไม่เกิดความรู้สึกเลยไอ้ตอนเป็นนั่งเงียบๆเจริญสมาธิปัสนาที่มันย่องย่องโผล่หน้าพนาาารนักต่างแบบเอะใหญ่คนนั่งก็สวยดีว่ะไอ้ตาคนนั่งก็สมารถดีนีว่ะแต่ว่ารู้หน้าเห็นเขาปั๊บมันก็หลบปุ๊บไปเลยพราสิธาคามีนี่ใครเข้าถึงตระวังให้ดีนะดีไม่ดีนี่ก็เราเป็นพระนาคารี ใกล้กันมากเต็มทีเพราะที่แหลกกันแปรนุสัยมันนอนดิงจริงๆเวลาจะหน้าคนเราเคยเห็นว่าสวยเนะี่ยไม่เนี่ยหาความสวยไม่ได้มาทุกทีดีโมงมันจะเกิดความรู้สึกทางห้ศก็ไม่มีไอ้ตอนเงียบๆเลยเพราะย่องโผล่หนะน้าก็เรียกนุสัยผมเรียนมาจากตำรายคขาบอกแหมถ้าไปกลวนเขาเป็นคนไม่ใช่กลวนไม่คนไอ้ตอนไม่กลวนออไอ้เสือขนเนอะพัชริน ไอ้ตอนกวนขุนไม่เป็นไรเรารู้ตัวใช่ไหมไอตอนนี้ไม่มีใคกวรเสือกขุนขึ้นมานีนชักแยกเหมือนกันแต่มันมาไม่นานเพราะสติสัพยัญญามันมากแล้วนี่เรื่องโลภะ ค, ความโลภมียังมีอยู่แต่เราเหมือนไม่มียังเป็นชาว บ, บ้านใดหามาแต่รู้สึกไม่ค่อยชื่ใดในของถ้ามันต้องสูญเสียไปตามความยังเป็นมารู้สึกเฉยเฉยที่ว่าเรื่องธรรมดา แล้วความโกรธก็เป็นการให้ค้าโกรธนี่ก็ตุยตุเต็มทีกระทบหลุดกระทบหลุดอระทบปั๊บโกรธปังหายนี่ไม่ดีสองสามนาทีก็หล่นพุบไปแล้วไม่เกาะมาไม่แน่ใจนี่ความหลงในร่างกายก็เหมือนกันมันก็ยังนึกว่านั่นเป็นเราเป็นพวกเราแต่ว่ารู้ตัวจะพังอยู่ตลอดเวลานี่เป็นากายของพระสกิทาคามีพระโสดาบันแบ่งเป็นสามชั้น เอกับวิชีเกิดเป็นเทวดาแลมาเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติหนึ่งก็เป็นได้อนาตตาผลว่าเป็นตายเป็นเทวดาแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ละอันเลยพระสกิทาคามีก็เหมือนกันแบบเดียวกันพระเรียก ว, ว่าโสดาบันละเอียดแต่พระแท้จริงๆถ้าบอกพระโสดาบันละเอียดทำไมอย่างนั้นเวลาก็ทําได้เรี่อย่างต่ำอย่างกลางก็ พระโสดาท่าโกลังโก ล, ละเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติเจริญหันยังหยับตักระตรงเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติเจริญหันนี่ว่าถ้าว่าสมมติเราไม่เจ็บพระพุทธเจ้าและไม่เจ็บพระรหันแต่ท่านพวงนี้ถ้าว่าตายโสดาชาตินี้แล้วท่านไหนก็ตาม <c oughs> ตายไปพบพระพุทธเจ้กาก็ดีพบพระราหันพอดีทั้งเทศตรงจุดฝังเดียวเป็นตานเลยนี่หมายถ้าว่ามีคนช่วยนะ ที่ว่ามาที่ ว, ว่าเดียวไม่มีใครช่วยต้องเกิดตามลำดับผมต้องรีบพูดให้รีบพูดเวลาหมดแน่มาส่วนสกิทาคามีสกิทาคามีในรัชยุยธิ์ในห้าคือตัปตะกายะทิฏฐิวิจิกิชฌาศีลปตาปรามาต ก, กามราคาละปฏิภาวิธีตัดสอนกันมาแล้วไม่พูดเคลื้นพูดเจงเวลาไม่พอ มาตรงนี้ติดท่านนาคามีเนี่ยมีสภาพเหมือนกับคนกรมตายได้อ น, นาคามีแปลว่าผู้ไม่ครองเรือนแต่ว่ายังเป็นครวญได้ถ้าเป็นผู้หญิงและผู้ชายมีสามีพันยานก็อยู่กันอย่างนั้นแหละอยู่กันแบบคนอยู่เนื่องด้วยกันไอการจะร่วมรักกันพัฐานสามีพันยานเนี่ยตั้งแต่สติขาคามีมาแล้วไม่มี บอสกีทาคามีก็เป็นคนไม่สู้คนแล้วจะดินแต่มานยังเหลือนิดๆอีตอนกระทบไม่เกิดอีตอนเงียบๆ เ, เ, เกิดแต่นาคามียกระทบก็ไม่เกิดเงียบก็ไม่เกิดความรู้สึกทางเพศไม่มีจะไปสู้ใครหรอคนไม่สู้คนอย่างนี้เปิดม า, าทารกในมุ้งยังไม่สู้เลย อ, อันนี้มันเรื่องจริงๆนะ ถ้าสมัยนี้เขาก็่านคนกามตายได้นี่ฮะว่าเราถึงจุดนี้ก็ต้องไปสวดไปหาโฮอร์โมนมากินบ้างให้เขาฉีดฮอร์ โ, โมนบ้างอะไรก็ตามที่มันบำรุงกางมาคุณบำรุงมันให้เต็มที่เลยดูมันจะเกิดอารมณ์จิตมีราคาไหมถ้าความรู้สึกในเพศมียังใช่ไม่ได้ถ้าความรู้สึกในเพศไม่มีเป็นอนาคามีแน่นี่เขาล่อกระชื่หมอปวดหัวไปหลายลาย ผมเดี๋ยวถึงนี่ยสมัยนี้นัน้นสมัยไหนสมันเป็นพู้สมัยมู้เดียวกัไอ้สมัยที่ผมมีลมห้ใจเนี่ยนะเพราะก็ถึงจุดนี้ปั๊บก็เอาอะไรที่สุดเดินไปหาคนสวยหาไม่ได้เมื่อก่อนเคยเห็นสวยสะพังแบบคนในประเทศไทยนี่เดินไปเท่าไรเท่าไรก็หาคนสวยไม่ได้เอาหาไม่ได้ดีแล้วเข้าโรงพยา บอกหมอบอกเป็นกรรมเป็นโรคการมตายได้ให้หมอรักษาหมอก็ลองเต็มที่เนื่อแตกเนื่อจันหลายวันคนที่สุดไม่มีผนเขาจะไม่บอกคนนี้ไ ม, ม่ใช่จะลองดูว่าจะถึงตัวนี้จริงๆหรือเปล่านี่ทํายังไงมันก็ไม่สู้คนนากามืเพราะมันไม่มีมือจะสู้กับครับเขาจะรู้ไ ห, หมอาวุธไม่มีแต่แล้วหมดถ่าน นี่ความรู้สึกคือว่านาคาไมีง่ายแต่นี่ง่ายมากไม่อยากความรู้สึกมันเกิดมันบอกง่ายหมดเลยความรู้สึกทางเพศไม่มีไอภาษาเป็นเครื่องอัตุกก็กระตุน้นเรื่องเพศไม่ปรากฏมันตายแต่ความจริงมันไม่ตายเราทำมะโปดไว้ในตัวหนึ่งก็ปฏิภะความเราทุกกระทั่งอะไรเอียดให้เกิดความโกรธบาดหนางอยคิดประทุ้าียเขาไม่มีมีแต่เมตตา แต่ว่าพวนี้ถ้าทําท่าโกรธก็เหมือนนิกเกอนี่โยมมันต้องสันเดนให้ชัดเลยคัะโกรดเจนนะมาเอาอย่างมันก็เขียนไงนนนนก็เขียนวัดต้นตน่ะบางคุนเลนนี่ทําท่าโกรธเอ๊ะอ้วนวายตุ้มตามเนี่ยความไม่จริงอนะ่ะพอก็ไม่สู้ซะหน่อยเดี๋ยวเรียนขนมแล้วท่าละทีเรียนขนมแล้วตนะอนนั้นว่าไม่ทําแบบนั้นงานมันจะเสียจําจะต้องทำ บาราหันไม่จะเลยต้องนั่งหน้ายิ้มเสมอไประวังนะอาราหันนันไม่เคยยินมตลอดถ้ามาไม่ถูกท้าแล้วทไม่ยิ้ด้วยหรืนะคนดีเท่านั้นเขาจะยินได้ตลอดไปถ้าหาไม่เข้าท่าเข้าทางเก็ไม่เอาด้วยเลยเข้าใจผิดไม่ใช่ว่านั่งยินมไปเรือยพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ทรงยินมจะยิ้มก็ต้องมีเหตุมีผลแง่ว่าเราไปแต่แทงข้างเราดีไม่ได้พนด่าเตลิดเปิดเปิดเพราะอะไรบาราหันก็ไม่งอคุณแล้ว เรื่องไรที่ยอมเป็นาทาสของกิเลสถ้ามาดีโดยธรรมะธโมผู้เนี่ยที่กายจริงๆแม้แต่ตัวเองกําลังจะตายก็สอนธรรมะได้แต่ถ้าว่ามาไม่เข้าท่าดีๆอยู่ดีไม่ดีแต่พ็ด่าแําบันระวังเจือมาหลายๆกีเทีนะไม่เชื่อถามผมเนี่ยที่ไหนผไม่เชื่อถามผมเอ๊ะทไหนวะผมเป็นพยานตัวเอง เพราะอะไรเพาผมโดนมาพเพข้าวไปแล้วมันด่ากวดพ่อกวดแม่อะไรกันบ่อยจีปาถามหมดสามวันสมาทานกันสามวัน้าไปทําเจหน้าเป็นดยายเจนหน้าเป็นดายไล่แตะพุธพื้นไม่เลี้ยงเลยเพราเราน่านได้ย่างจริงไม่ใช่ น, า น, าน่าดําลดใจด้านด้วยด้านจะห น, าน้ามไหวเพราวันที่สี่แล้วว่าไอตัวด้านหายไปหมดเลยแล้วจะดีเลยรคนนี้โอ้โว เวลาที่บายธรรมะเนี่ยเราจะเป็นอรหังแท้ใดตรงนะั้นพูดใสเจ้าเห็นชัดหน้าจริงจังนี่เรื่องของพระอ่านท่านนะนี่ตานาคามีกวมเหมือนกันอันนี้เรียกว่าความโกรธกระทบหลดก็รู้สึกไม่ใช่ไม่รู้สึกอนะ่ะแม้คุณจะเป็นยังผมเท้าไหรไอผมนั่นโดนมันแล้วนะไม่ใช่อะไร คิดว่าคนที่เขาเป็นพระอริยเจ้าขันธาระหันเนี่ยมันจะต้องไม่รู้ว่าใครก็สวยไม่ต้องรู้ว่าใครก็ดินพายเขาว่าไรเขาคอนเสิร์ตอะไรในความโง่ในย่อมไปถามพระพระท่านบอกแล้วกันพระระหัน์ไม่ใช่หัวหลักหัวตอน่านบอกพุนยังมีประสาทอยู่นั่นเขาว่าก็รู้ว่าเขาว่าเขาดิ้นพายรู้เขาดิ้นพายเขาคอนเสิร์ตรู้เขาคอนเสิร์ตเขาด่าลู้เขาด่าแต่จัวัดจิตมันไม่รัก จิตมันไม่ยอมรับกระทบแล้วกหลุดไปไม่ใช่ไม่มีความรู้สึกนี่ทีนี่คุณปล่อยผมโง่คนเดียวนะ่ะอย่าไปโง่ต่อใช่ไหมไอ้ผมนังง่งโงกไปแล้วไปถามท่านว่าเออพระราหันนี่ธรรมยางรู้นนว่าก็นิพานอ่ะไอ้เรื่อบอกว่าหูตามันยังมีใจมันยังมีไม่ใช่หัวต่อแต่ว่าเราไม่จับถ้ากันเลยให้พิสูจน์ก็เอางี่้ลองดู เอาโคลนมาถาขาเอาก็มาถาขาเพาน้าล้างน้ำลา้ำลางแล้วถามว่าโคลนมันซึมเข้าไปในเนี้ยไหม <c oughs> มันก็ไม่สึมต่างบอกอย่างเงี้เนี่ยเหมือนกัอ า, าหาจักไอโคลนนี่เหมือนคำสาปแช่งคํำนินทาว่าไรแต่นนี้มาแต่ใจอาณาจักมันไม่ซึมเข้าไปในใจการพบแล้วรู้ว่าเขาด่าแต่ก็ไม่มีความรู้สึเกเรา เดี๋ยวว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็าไอ้นี่มันอยากลงรูงปกระเชิญมันไปบ้าพรหันนี่เอาไปจีดิว่าพระราหันเป็นหมาก็ชาดหน้าเป็นหมาแง500่แง่หา้ารา้อยชาติเห่นไหมบ้ารหันว่าเป็นหญิงแพทย์สัญญาใครล่ะใคระว่านางซิดีมาเนี่เวลามันจะหมดไปยนางซิดีมาว่าพระรหันว่าเป็นหญิงพแพทสัญญาแกต้องเกิดมาเป็นหญิงแพทย์สัญญาห้ารอยชาติเห็นไหม อย่าไปยุ่งมาเฉพาะการหานนั่นาฟังดาบนะเราใครไอ้พวกจริงถ้ามาเดี๋ยวฟั น, นเราไว้ฟันเราเองนะนี่ว่าถ้านาคามีคุณก็เข้าใจแล้วนะสําหรับว่านาคามีน์นถ้าตายจากคนไปเป็นเทวดาแล้วเป็นพรงอุปัฏฐาไม่กลับลงมาเกิดอีกนิ่พันบนนั้นไม่อยากแต่เอ็มพีไม่อยาก ม, มากนะ อนาคามีนี่ต้องเจริญกายกับตาโนตติกกรรมฐานกับสุภกรรมฐานให้หลักกับพร ม, มีหารสิงเจริญในปกติ ง, ง่ายนิดเดียวทีมันทีเพระถึงเมื่อโสดาบันปั๊บจิ้งพุทธญาณนาคามีเลยนี่จุดกลางอากไปรวมบางองค์ก็ถึงเมื่อโสดาบันปั๊บจิตบีมพุทธญาณรหารเลยนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องปฏิบัติจนได้ได้เรียงลําดับไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่พูดเรียงให้ฟัง แต่ผลเร่งการปฏิบัติจริงไม่ใช่ไม่จำเป็นจะต้องเรียงสุรรรบารมีของคนที่ทำมาในการสอนบางทีเพราะว่าวเทศปัป๊บ็ปหลาังเลยผ่านพสดาวฤกษาคานาคามณอารมณ์ผ่านแ้วมันผ่านแวดเดียวไปชนปลายเลยนี่ถ้าว่าเราตั้งใจจะให้เป็นอย่างนั้นก็ไายากก่อนเอาสุภก ร, รรมฐานกับกาญจกาตาลุบทิกับปรมิหาสีให้หนักเนี่ยถ้าเระโสดาวัน เจ็ดแค่เกินเจ็ดวันไปทหาก็สวยถ็มทีนะบอกให้ฟังเลยผมว่าตามธรรมดานี่ผมไม่โกหกเด็ดไม่อยอมใครไม่เชื่อผมไม่ถามพระพุทธเจ้ารอกเห็นะหมถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบไปถามพระพุทธถ้าพระพุทธไปตอบถ้าไม่คันผมพูดถูกเห็นไหแล้ว ไ, ไม่งั้นถามผมดูก็ได้ เอ๊ะมีห้านาทีวะตอนนี้มาถึงนาคาเมีแล้วตอนนี้กีเหล็กเหลือเบาเต็มทีแอนุสัยหมดไอ้ตัวอนุสัยตัวเบาๆเนี่ยมันเก็บยากตัวละเอียดเนี่ยเก็บยากเขายังมีความเมาพระนาคาเมียังมีความเมาในรูปประชามและอารมณ ป, ประชามเรื่องคำว่เมาหมายความมันยังโก่อยู่ การทรงรูปบรรพชัยกับรูปบรรชันั่งนานนานตั้งห้าชั่วโมงหชั่วโมงมันโก้ไะยังมีโก้มาณฑ์ธรมีเนีนะ่ยแตไม่จะไปแต่งตัวโก้อวดสวยไม่ใช่เงนินเมื่อมาอวดนั่งนานนานทรงชานานนานกันก็เรียกว่ายังเมาในรูปบรรพชัยแล้วรูปบรรพชยัยนี่ตอนนี้อาลาดตะมัดเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่พูดหรอมักมึงเมื่อก่อน ม, มปล่อยรงเด็ดมาไม่สําคัญอาลาดตะมัด ก, ก็ต้องฝึก ทำกําลังใจให้เข้าถึงไม่รูปประจาและรูปประจำเนี่ยมันช่วยเป็นกําลังเข้าสู่อะไรแต่ผลเท่านั้นเรามานั่งเมาอยู่ตรงนี้มันเสียเวลาเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ทิ้งรูปประจาและรูปประจำต้องทรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้รูปประจำและรูปประจำเนี่ยเป็นกําลังร่วมมิปัจจนาญยาณยเข้าไต่กิเลสที่ตัวยึดถือรูปประจำและรูปประาำ เราคิดว่าถ้าเรายังทงรูปประชาแล้วรูปประชายังชอบใจมันหนักแบบเนี้ยเราก็ต้องไปเกิดเป็นเทวดาด้วยก่อนมันช้าเสียเวลาเกิดเป็นชงไม่เป็นไรถ้าเกิดเป็นเทวดาแย่มีเมียต้องทำสองพันคนอิอามเลยมีชาวบ้านก็มีคนเดียวอย่างแย่อยู่แล้วเงแล้วก็แก่ยาเจ้าชู้ประชาตินี้อยาสิตไปเป็นเทวดาโอ้หนุ่มโง่บันไรนะ พวกเป็นคนละคาก็พันคำและพันคนนี่แย่แล้วใช่ไหมนี่ตอนนี้มันตัดไม่อยากละมุ่งมุ่นภินพัน์เป็นอารมณ์เลี้ยนะตอนนี้ีตัวหนึ่งก็มานะตัวถือตัวถือตัอนี่ ก, ก็นาคามีอย่างนี้แล้วก็หาทางตัดมานะตามที่เขบอกผมบอกมาแล้วว่าถือสกายะที่ถือเป็นสำคัญ เพราะวดับเนี่ยพิจารณาตัวเดียวสกายติี่ิดตั้งแต่เ บ, บโสดาสิริภาคานาการหันไม่ได้พิจารณาตัวไหนพิจารณาขันห้าตัวเดียวดับหมดนี่เห็นไหมขันห้ามันฟังไม่กันขันคนก็ฟังขันหมาก็ฟังขันสติเฉลี่ยก็ฟังมันแล้วก็ฟังหมดจะไปถือมันทําไมเรากับเขาไม่มีใครดีอะไรกันต่างคนต่างสปกปรกด้วยกันต่างคนต่างตายด้วยกันไม่ต้อเกลียดกันเพื่อประโยชน์อะไรอ้แรแงเหมือนสาบแรงก็ไม่เกิดปรยนูนใช่ไหม ตั้งที่ผมบอกมาแล้วเมื่อวานมั้งนีบอกเราอ่ะไม่บอกแล้วไปผมบ้าบอกจำไม่ได้บอกว่าไหนก็ไม่รูอันนี้มาอีตอนอุจจจะอีกตัวตั้งนาคามีอย่างมีอารมณ์พุ่งสั่นพุ่งการตรงไหนละพุ่งช้าตัวนี้ไม่พุ่งต่านะต้องพุ่งสูงมีอารมณ์อย่างเดียสมมติเราจับสกายาทิฏฐิเพื่อตัดอารมณ์พุ่งสั่นหรือว่าตัดอะไร ร, ร, าารูปา ร, ราคะได้การูปประชานรูปราคะได้การูปประชานมานะความเทื้อตัวเทื้อดตนอุเทจัดความพุ่งสร้างวิชาความโง่ก็จับขันห้าพิจารณาขันห้าเพื่อจับโน่นน่ะมันย่องไปอีกข้างนอกแม้สร้างโบสถ์ที่มีมานมันสวยจริงวะแม้ต้องสร้างทั้งปหลายวะนะนี่เลี้ยงคนแก่ในเมริสงดีมีประโยชน์มากมันย่องออกข้างนอกไป แ, แล้ว แต่ว่าย่องไปในเกณฑ์ดีไม่ใชงย่องลงตัดแต่ว่ามันดึงยังไม่ถึงหลั ก, กบุญพุ่งเหมือนกันจะพุ่งไปในเรื่องของบุญศนไม่ใช่พุ่งเรื่องอบุญศนไม่จะย่องไปรักใครก็ไม่มีรักแบบนั้นแหละไม่มีอะไรจะสู้เขาต้องมาาความดีเลยจะ <c oughs> ไปรบกับใครก็แล้ว <c oughs> ไม่มีแต่ว่าแกพุ่งในด้านดีนี่มันรีบจังอันนี้เนระาก็ตัดด้วย หลักการนี้พิจารณากันห้ามาตัวสุดท้ายถพอตับตัวนี้ได้ยกเลิกกันอวิชชาตัดอวิชชาตัวเดียวหมดอวิชชานี้แยกเป็นตัวธรรมณีสองตัวคือฉันแท้กับราคะน้าพูดอวิชชาเฉยๆว่าเจ้งแล้วผมเรียนมาเท่าไหร่ผมไม่รู้สักทีทั้ทงครูก็ไม่บอกไปคนได้ทนายไพฑูรยกจบแล้วบอกมีฉันแท้กับราคะสองตัวนี้เป็นตัววิชชา ฉันแท้ความพอใจความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลมเป็นเทวดาราคะมีความเห็นว่าโลกมนุษย์สวยเทวดาสวยลมสวยตัดอารมณ์ทั้งสองประการนี้ได้ว่าโลกมนุษย์ก็ไม่ดีเทวดโลกก็ไม่ดีลมโลกก็ไม่ดีเราต้องการอนิพานอย่างเดียวจะมาทำอารมณ์ที่เราต้องการโลกมนุษย์เทวะโลกมหมดสิ้นไปจากใจ มีใจเป็นสุขสบายนี่ว่าชื่อว่าเข้าถึงอร่าพจน์อันนี้มาลองแก้ตัวหนึ่งนแล้นี้ตอนนี้เข้าถึงอร่าพจน์แล้วเราทํายังไงต่อไปอ ย, ไอยู่เฉยๆอยู่เฉยไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาขันห้าเือส ก, กายตทิฏฐิเพื่อความอยู่เป็นสุขตลอดไปตามที่พระสารีบดบอกกับพระทั้งหลายที่พระทั้งหลายถามว่าผมเป็นปุถุชนพิจารณาอะไรก็เป็นมัชฌดาย แต่เาบอกวิาจารณาสัจจะยิถิเป็นขันห้าเป็นปัิภาคารับบอกเอาแต่ิจรารณาขันห้าถ้าจะเป็นน า, าคาก็วิจรารณาขันห้าถ้าจะเป็นาาานาไชพิจารณาขันห้ามันพิจารณาตัวเดียวเพราะวิบากนายนี้ตัวเดียว